สำหรับอาการตายขันที่สามจะปรากฏขึ้นหลังจากที่การตายขั้นที่สองแล้วเวลานานอยู่เพราะว่าเวล า, าการตายขั้นที่สองนั่นเป็นเวลาอายุ27ปีสำหรับอาการตายขั้นี่สามนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นอายุ40ปีห่างกันมาก แต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงการตายผมก็อยากขอเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนตายสิก่อนเราะว่าถ้าถึงจุดแห่งการตายแล้วบรรดาท่านนันไลท์ถ้าเล่าถึงจุดนั้นจะคิดว่าผมนี่เป็นคนที่มีแต่ความสุขหรือว่ามีอารมณ์ว่าง มีเวลาพอที่จะประพฤติปฏิบัติสมณธรรมได้เป็นอย่างดีถ้าหากว่าท่านหลายมีความรู้สึกอย่างนี้ผมก็ขอตอบเพยทราบว่าความจริงเวลาที่จะเจริญสมณธรรมของผมถ้าดูการตามทัศนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเกือบจะไม่ได้ทำ อั้งมีพ่ออะไรพงานการมากเกินตัวหลังจากเวลาการผ่านไปเมื่อระยะการตายครั้งที่สองหลังจากนั้นหนึ่งปีและสองปีจาไม่ได้แน่ผมก็เดินทางออกจากกรุงเทพไปอยู่ในต่างจังหวัด เรื่งนี้ก็ว่าเป็นผลงานบังคับแต่ความจริงในเวลานั้นอยู่ในกรุงเทพก็มีความสุขดีนี่ก็ดูมันว่าคิดว่าการเดินทางอยู่ต่างจังหวัดจะมีความลำบากมากกว่าแต่ก็ในฐานนธะที่บวชเขมาโอทิตตนเพื่อพระพุทธศาสนา อะไรก็ตามถ้าหากว่าพึงเป็นประโยชน์ผมมีความรู้สึกว่าพร้อมเส ม, มอเพื่อพระศาสนาได้ก็เพื่อสนองคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเว้นนั้นว่าคอยย้อนหลังนิดหนึ่งขณะที่ตายครั้งที่สองแต่ความจริงเขาเรียกกันว่าตาย แต่เมื่อแท้จริงๆของบรรดาท่านนันไลได้โปรดรับทราบไปด้วยว่าชีวิตของเรานี่จิต ก, กับร่างกายมันเป็นคนละส่วนนี่การเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าเรื่องแบบนิทานเพราะว่าต้องการให้ท่านนันไได้รับทราบตามความเป็นจริงบางทีท่านหลายที่ฝึกในด้านของจิตอย่างน้อยอยู่ นี่ผมหมายถึง ว, ว่าท่านที่ฝึกิตน้อยนะเวลานี้มีพระหรือ ว, ว่ามีคนเทรวัตที่เ้ามีความรู้สึกดีมีความรู้ดีกว่าผมก็มีมากไม่ใช่ว่าผมจะเป็นผู้วิเศษที่สูงแค่แต่ผู้เดียวถ้าความจริงถ้าหาความวิเศษจากผมแล้วก็มันจะไม่พบอะไรเลย เมื่อผมไม่มีความรู้สึกเลยทั้งว่าความดีที่มีอยู่ทางนี้ พ, พ่อไหลประว่าิศัตรูร้ายของผมมันอยู่กับผมนั่นก็คือขันห้าขันห้านี่ผมถือว่าเป็นศัตรูตัวสําคัญที่สุดที่เป็นเครื่องเหนียวร้างจิตถ้ามีความรู้สึกเสมอว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่เสมอ แต่ก็ผมก็ถือคาถาบทหนึ่งซึ่งือมานานแล้วนั่นก็คือสับไว้ช่างมันมันจะแก่มันจะป่วยมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของมันแล้วสาหายก็หายไม่หายก็ช่างมันคาถาบทนี้นะากว่าท่านไหลภาวนาไว้เสมอๆจงตั้งขึ้นใจ มีความรู้สึกว่าคันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันจะต้องเป็นตามไปเป็นไปตามสภาวะของมันเราจะปลนเปลือยอะไรกันไปก็ตามมันก็ไม่ยอมถ้าเราจะห้ามความแก่ด้วยการปลนเปลืยด้วยอาหารด้วยเครื่องประดับหรือว่าสถานที่อยู่ที่จัดว่าเป็นสุข ร่างกายมันก็แก่มันก็ไม่ยอมเชื่อเราจะต้องการให้มันแข็งแรงด้วยการบำรุงด้วยยาด้วยการบริหารนั่นมันก็เพียงแต่เพียงอุปท า, านที่เราเข้าไปยึดถือเท่านั้นความจริงความเสี่ยงของกำลังมันก็หมดไปทีละน้อยละน้อยตามการเวลาถ้าเราคิดูว่าร่างกายนี้ยังไม่ควรจะตาย จะหาทางทุกอย่างเพื่อเป็นการยับยั้งความตายก็ถือว่าเป็นความผิดคิดที่ผิดเพราะร่างกายมันไม่เชื่อศีลหรือไม่เชื่อหลกนองของเรามันก็ไม่เชื่อไม่ถือย้อนหลังเข้าไปถึงตอนการตายครั้งที่สองที่เห็นว่าตอนนั้นชีวิตตินซีไม่ได้ออกจากร่าง ความจริงมันแยกกันระหว่างกายกับจิตสิ่งที่เราคิดว่าจิตมันก็เป็นร่างกายที่เรียกกันว่าทิสมาณกายได้พูดให้ท่านฟังแล้วบอกว่าในระยะหลังจากความเป็นเด็กจากการตายครั้งที่หนึ่งเมื่ออายุสิบสองปี ียงกว่าจะมาถึงอาการตายครั้งที่สองซึ่งมีอายุประมาณยี่สิบเจ็ดปีตอนนี้ท่านหลายถ้าจะทราบถึง ป, ประวัติผมก็ไม่ได้เคยประพฤติดีประพฤติชอบอะไรนะักถ้าพูดจะได้ได้เป็นครวิแล้วผมเป็นคนขาดทุนอย่างยิ่ง สิ่งที่ผมกล้าจะพูดกับท่านได้พ่เว้นได้จริงๆที่ไม่ติดนั่นก็คือสุรามีไรการพ น, นันและว่าการฆ่าสัตว์ตชีวิตโดยเฉพาะอย่างเยี่ยงสติรชานรวมแล้วที่เจตนาทำจริงๆไม่ถึงสิบชีวิตแต่ทว่า กรรมอันหนึ่งซึ่งเป็นกรรมใหญ่แน่นก็คือการสังหารโจรในขณะนั้นมีส่วนร่วมกับตำรวจความจริงไม่ได้เป็นตำรวจแต่ว่าตำรวจชอบใช้การกระทำอย่างนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นโจรแตจ่จะลืมว่าเขาก็มีชีวิต เมื่อทำลงไปแล้วขึ้นชื่อว่าบาปมันก็มีแต่ว่าในพระบาลีได้กล่าวไว้ว่าการฆ่าคนที่มีคุณมีโทษมากกว่าการฆ่าคนที่ไม่มีคุณฆ่าคนที่มีศีลที่บริสุทธิ์มีโทษมากกว่าฆ่าคนศีลไม่บริสุทธิ์ฆ่าคนศีลที่ไม่บริสุทธิ์ มีโทษมากกว่าการฆ่าคนที่ไม่มีศีลในเวลานั้นก็ไม่ใช่มีอารมณ์โทสะมันเป็นเรื่องของการปราบโจรร่วมกับตำรวจก็ทำไปตามระยะความเป็นเด็กที่คิดว่าเป็นของดีถ้าหากว่าเราจะมองกันตามบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส มันก็เหมือนนั่เป็นการสร้างบาปเราดีๆนั่นเองแต่ว่าเป็นการสร้างบาปเพื่อความอยู่เป็นสุขของคนส่วนใหญ่อย่าถือว่าบาปให้อภัยมันก็ไม่ได้นิ่การรอดตัวของผมก็อาจจะมีนิดหนึ่งนั่นก็คืออารมณ์จิตที่รักในคําว่าพุโทโธอยู่เป็นปกติ แต่ถึงกระไรก็ดีความมั่นของจิตยังทรงอยู่ในคำว่าพุโทโธคำว่าพุโทโธนี่ผมไม่เคยปล่อยให้พ้นจากอารมณ์ของผมถ้าในยามที่มีเวลาว่างหรือว่าในบางคราวไม่จะนั่งอยู่ในวงที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันเมื่อมีจังหวะผมก็ไม่ยอมให้ว่างจากจิต อารมณ์ที่ไม่ยอมให้คำว่าพุทโธว่างจากจิตทั้งนี้ก็เพราะว่ามีความต้องการอย่างเดียวคืออยากจะพบกับท่านลุงที่น่ารักหนือว่าท่านลุงที่มีคุณผมก็สามารถติดต่อกัต้องนอยู่ได้ตลอดเวลาตอนนี้บรรดาท่านหางหลายถ้าไปนักเจริญพระกรรมฐาน เย็นว่าการเจริญพระกรรมฐานนี้ถ้าเราจะไม่สนใจกับคำว่านิมมอลห้ า, เร า, ร เ, รารเราจะไม่สนใจกับคำว่าจริทกเราจะไม่สนใจกับคำว่าปริโภเราจะไม่สนใจกับคำว่าปกิเลสสิ่งเหล่านี้เราจะไม่รู้เลยเพราะเวลานั้นผมไม่รู้เลย ถ้าได้ว่าอารมณ์รักคำมั่พูธโตจุงอย่างอื่นไม่เข้ามากวนใจได้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ชนะนิวรณ์แล้วเราเป็นผู้ชนะความกังวลคือคำปริโภนนั้นแล้วหรือว่าเราเป็นผู้ชนะเจริตต่างๆที่ไม่สามารถจะเข้ามายุ่งกับจิตของเรามากเกินไปแต่ความจริงอารมณ์จิตไม่ใช่พองใสตลอดเวลา มันเป็นแต่เฉพาะเวลาที่เราต้องการใช้งานที่เป็นสมาธิเท่านั้นหมายความว่าเวลาใดที่ต้องการแคใช้งานให้เป็นสมาธิจะทรงอารมณ์คำว่าพุทโธอยู่เวลานั้นอารมณ์นิวรณทั้งหมดจะไม่เข้ามายุ่งกับจิตเมื่อมันเลิกแล้วผมเป็นหลมผมก็รักผู้หญิงเป็นเหมือนกัน ก็เหมือนกับชบ้านผมก็มโหทโสเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับชบ้านธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษก็เป็นเดบเพียงว่าขณะใดที่ต้องการจะใชอารมณ์สมาธิก็ใช้ได้ทันทีอย่างนี้ก็มารู้ในสมัยเมื่อบทแล้วเขาเรียกกว่าฌานโลกี แล้วก็เวลาใดที่ต้องการจะรวบรวมกำลังใจเพื่อไปพบกับท่านหลวงก็ไปได้และกิจการงานทุกอย่างของผมหลังจากเมื่อเวลาที่มาในบวชก็แบบนั่นแหละมันก็เป็นคนไม่ว่างเวลาที่บวชเข้ามาแล้วกับหลวงพ่อปานก็ศึกษาทรมรมะปฏิบัติท่านปฏิยัติปฏิบัติและก็ด้านปฏิเวท ทั้งคันธภูระวิปัสนาธุละทุกอย่างอีกการงานทุกอย่างทงหมดตั้งแต่งานเล็กน้อยการจัดพระตาหารถวายพระการหูหาอาหารการทำงานเข้าป่าเขดงดาน้จาจับกลางแม่น้าดาทรายดากรวด จ, จนถึงงานถึงนโอกไก่เขอล้งขา่ากขททำทุกอย่าง และรวมความว่าก็ทำเหมือนเหมือนกับท่านหลายบรรดาพิสุทธิสมณีทั้งหลายที่โบสถอยู่ในวัดนี้ที่ทุกท่านมีความขยันแข็งแข่งในการงานแต่ความจริงงานด้านนี้ต่อมาภายหลังผมมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราจะทิ้งงานประเภทคันธุระนี้เสร็จแล้วมาเริ่มเป็นจัดเป็นวิปัสนาธุระอย่างเดียว จะมีผลดีกว่าในขณะนั้นมันเป็นเวลาที่ผมกำลังเจริญภระกรรมฐานความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ได้ว่าพอคิดเกยงเท่านี้ท่านมีเสียงชัดมาจากเบื้องบนด้านสูงผมก็ไม่รู้ว่าสูงแค่ไหนเสียงนี้มีสมเสียงเพราะมาก ต้องตัดเสียงในกล่าวว่าสัมภากะสีรูปรักการคิดอย่างนั้นมันผิดโดยการทำคันธธุระอี ก, การงานนั้นในการก่อสร้างในการสงเคราะห์ในการรักษาของสงในการแผ่เมตตาปราณีกั บ, บรรประชาชนทำอารมณ์จิตคือบา ร, รมีให้ครบถ้วน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยบารมีให้ให้ครบถ้วนเร็วขึ้นผมได้ถึงมารู้สึกตัวว่าเราคิดผิดไปมากจ้าตามภาษาบาลีเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิคิดไม่ตรงกับความเป็นจริงนี่คุยกันต่อไปวันนี้ยังไม่ตายเล่าเรื่องยุ่งกันซะก่อนเมื่อหลังจากนั้นแล้วก็ออกมาบันนอก มาต่างจังหวัดตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเข้าไปอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณเกือบห้าหกเดือนเพราะปรากฏว่าที่วัดนั้นผมไม่ขอออกชี้วัดเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าไปอ้างบุญคุณขอท่านหลายปปรดทราบไปด้วยว่าผมไปอยู่ที่ไหนพุมถูกด่าที่นั่นเป็นเรื่องปกติ เรื่องการดา่าการดินทาการสนวนเสริญเป็นของธรรมดาไปอยู่ที่ไหนก็ตามมีทั้งคนดินทาว่าร้ายมีทั้งคนส่วนเสริญทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นโล ก, กธรรมดาการไปอยู่ในจังหวัดสุพรรณคราวนั้นไปด้วยกันสามองค์เพราะว่าท่านผู้บังคับบัญชาบอกว่าวัดนี้สุดโส ม, มาก มีกุติอยู่หกหลังมีหอสดมนอยู่หนึ่งหลังมีศาลาหนึ่งหลังแล้วมีพระโบสดสำหรับศาลาและพระโบสดสมบูรณ์ดีแต่ถ้าว่ากุติหกหลังกับหอสดมนไม่เป็นเรื่องใกล้จะพังเต็มทีขอให้ช่วยกันจัดทาก็เป็นอันว่า ทั้งสามองค์ไปด้วยกันด้วยมือเปล่าการหาเงินก็หาในวาจาโดยใช้วิธีทุกทุกเวพระลราก็เทสังส า, ธารธรรมะใช้เวลาไปหกเดือนก็สามารถทำกุฏิทำหอสุนมนได้เสร็จหลังจากนั้นก็กลับมาที่วัดบานมโค ด้วยคิดว่าที่วัดบานองโคเวลานั้นอาจารย์เจิมกำลังเป็นเจ้าวาดก็มีความรู้สึกว่าถ้าอาจารย์เจิมก็เป็นพระที่ติดตามนลวงพ่ปานมาหลวงพ่อไรเกสรท่านก็นยังอยู่พระที่มีอาโวโสมากก็มียิงเจ็ดแปดองค์เข้าใจว่าเรากลับมาเป็นเด็กสบายกว่าไปอยู่ยัาเป็นผู้ใหญ่ ยิงกลับเข้ามาที่วัดบานำโคหวังจะมาอยู่อย่างเป็นเด็กให้มันสบายระยะการผ่านไปไม่เกินสองเดือนปรากฏว่าพระอาจารย์เจมก็ต้องตายอย่างกระทันหันเป็นอนวุวาคราวนี้ทำยังไง พระที่มีอาวุโสทุกท่านตั้งแต่พรรษาห้าสิบพรรษาขึ้นลงมาถึงยีงส่สิบพรรษาท่านไม่ยอมรับตำแหน่งจเจ้าวาดก็มีผมคนดีสุดก็เวียงให้รับตำแหน่งจเจ้าวาดแต่ว่าการเป็นจเจ้าวาดของผมสบายมากเรื่องในวัดผมไม่ได้ควบคุมอะไรเลย แต่ว่าท่านที่มีโอโสมากที่สดได้ควบครอกันควบคุมกันเองผมก็มีภาระอยู่อย่างเดียวคือการก่อสร้างทำโน้มรุงในวัดบานมโคเองบ้างแล้วก็มีวัดต่างๆที่หลพ่อปานเคยทำการก่อสร้างไว้มาขอร้องให้ไปซ่อมแซมบุรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็มีวัดนอกแจากนั้นก็มาขอร้องให้ไปช่วยทำ เป็นอันว่าจริยาเดิมที่หลวพ่อปานท่านทำไว้เขาตกลงมาอยู่กับผมอีกสิ่งที่ต้องคิดคือว่าผมต้องถูกดา่ามากที่สุดและก็ทำให้คนมันแค่เพียงแค่คนสามคนเป็นต้นเหตุแต่ว่าก็ทำให้คนในตาบล น, นั้นและก็คนในตาบลอื่นก็แบ่งกันไปพวกคนสองพวกติดกัน มีทั้งรักผมแล้วก็เกลียดผมสนับสนุนแล้วก็ทำลายนั่นก็คือในเมื่อขณะที่ผมเข้าไปรับงานของวัดบรานโคแทนพระอาจารย์เจมิมผมก็สำรวจตรวจสอบบัญชีผลรายได้ของวัดป ร, รากฏว่าเป็นนงังสือของวงพ่ป า, านเขียนไว้เป็นฉบับเล็กๆใายมือองนั่นเอง ว่าเงินฝากไว้ที่คนนั้นเท่านั้นพันฝากไปที่คนนี้เท่านี้พันรวมเบ็ดเสร็จแล้วมีเงินประมาณสองหมืนบาทความจริงเงินจํานวนนี้มันเป็นเงินลี้รับจริงๆผมเองก็ไม่ทราบแต่ก็อ้างไว้ด้วยว่าเงินคนนั้นเขาทําบุญมาเพื่ออะไรจรึงได้เชิญท่านผู้ที่มีชื่อในหนังสือเรื่อนั้นมาถาม <c oughs> ว่าตามบัญชีที่หลวงพ่อปานจดไว้นี้เงินเขาท่านอยู่ที่คุณนนาจริงไหมเรียกคุณาถ้าบอกว่าใช่เออถามว่าถ้าจะขอมาบำรุงปฏิสังขรณ์วัดจะได้ไหมเขาบอกว่าพร้อมที่จะให้แล้วก็สัญญากันบอกว่าถ้าก่อนที่จะรับเงินก็จะแจ้งก่อนหน้าประมาณครึ่งเดือนทั้งนี้เพื่อการเตรียมตัว ท่นบนนี้นก็บอกว่าไม่ต้องหรอกครับเพิ่งเงินมีพร้อมแล้วแต่เรื่องนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเว่าเงินจากหลวงพ่อปานตายไปแล้วก็นานประมาณตั้งสิบปีเวลารับเข้ามาจริงๆเงินจํานวนนี้ไม่มีดอกเบีย้ยติดเข้ามาด้วยและเพราะว่าท่านบนนี้ไปออกดอกเบีย้ยก็เป็นผลประโยชน์ของท่านนี่หม่สําคัญ มันสําคัญอยู่แต่เพียงว่าเวลาที่ขอเบิกเงินมาไปงวดๆใจแล้วก็ถามแล้วว่าเดือดร้อนไหมถ้าเดือดร้อนงวดนี้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรแล้วเขาก็หลายเหล่านั้นบอกว่าไม่เป็นไรเงินมีอยู่แล้วเป็นปกติเมื่อมาเข้าจริงๆภายในวิชาก็ปรากฏข่าวภายนอกว่าทศชาสามสี่ท่านที่เป็นคนรักษาเงินไว้ ท่านพูดประกาศตนเป็นศัตรูอย่ายนอกท่านบอกว่าไอ้เงินจนํานวนนี้หลวงพ่อปานเป็นฝากท่านปาาไปนานแล้วเมื่อหลวงพ่อปานตายไปแล้วหลังจากนั้นท่านอาจารย์หลวงพ่เล็กก็เป็นเจ้าวาดอยู่โชกคราวแล้วท่านก็ลาออกเพราะว่าท่านไม่ชอบท่านอาจารย์เจืมเป็นเจ้าวาดท่านบอกว่าเจ้าวาดสององค์นี้ไม่มีไม่จะมารบกวนกันนี้เลย แต่ว่าไอหมาตัวนี้นี่มันมาเป็นเจ้าวาดไปกี่วันมันมารบกุนเงินจำนวนนี้ผมเลยกลายเป็นหมาไปก็ดีไม่กันหมาไม่ผีดกฎหมายตอนนี้คนก็ต้องแบ่งเป็นสองพวกเขาก็มีพวกมีคลองพวกคลองเขาพากันเกลียดผมหมด นี่มาถามชาวบ้านแต่ความจริงเมื่อเวลาที่ตกลงกันก็เป็นการประชุมทั้งสงฆ์และชาวบ้านทั้งตำบลแต่ถ้ว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาท่านทั้งหลายคนที่ปีนเป็นพี่กันน้องกันญาติกันก็ต้องเข้ากันบ้างเป็นธรรมดาและแถมเพื่อนเขาทั้งหลายที่เขาอยู่ภายนอกนอกตำบลออกไปเขาก็ส่งข่าวคราวก่อไปก็พากินเป็นศัตรูสำหรับผม แต่ผมเองก็คงเรียกเขาคาว่าน้าแสดงความเคารพในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ผมไม่ได้คิดอะไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดารู้ว่าพระพุทธเจ้าเองก็สูกถูกด่าว่านินทามาสัมากยิ่งกว่าผมเวลาผมถูกดา่าถูกว่าถูกนินทาเนี่ผมเปิดประวัติพระพุทธเจ้าดูเสมอ ผมเห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าถูกมากกว่าผมผมก็เลยนิ่งสบายใจถือว่าช่างเขาได้งานสำคัญอีกเรื่องหนึง่งผมไปดูผลประโยชน์ของวัดในงานประจำปีปรากฏว่าปีหนึ่งค่าวิพาทไม่เสียชาวบ้านออกค่าอาหารชาวบ้านออกค่ามโหรสพชาวบ้านออก แต่ถ้าว่าบัญชีรับของงานประจำปีปีหนึ่งมีเพียงแค่สองร้อยบาทก็ขอปฏิวัติจัดงานจัดระเบียบงานใหม่เริ่มจัดงานวางแผนใหม่ปรากฏว่าทายกเก่าลาออกหมดเกรงว่าจะขาดทุนเกรงว่าจะไม่มีเงินจ่ายยังได้ขอร้องบอกเอาอยางงี้ก่อนแล้วกัน จะเพิ่งลาออกเป็นอาวัาทั้งเงินเนีย่ยขาดทุนอัตมารับผิดชอบชำระหนี้ท่านได้กำไรก็ช่วยเป็นควบคุมรอการพวินการลาออกไปก่อนเมื่องานจัดเบษษ็ดเสร็จแคปีนั้นปรากฏว่ามีกำไรสุทธิ 9,000 บาทเป็นปีแรกคราวนี้เห็นชอบโดยแล้วต่อมาปีดีสองมีกำไรสุทธิ 12,000 บาท ปีที่สามมีกำไรสุทธิสามหมืนบาทปีที่สี่มีกำไรสุทธิเกือบหกหมื่นบาทและก็ปีที่ห้ามีกำไรสุทธิประมาณแปดหมื่นบาทขึ้นกันตามลาดับในสมัย น, นั้นนั้นเงินก็ยังแพงแต่ตอนนี้ตอนที่ได้เงินมากๆท่านที่เคยเก็บเงินให้กมาสนออีก ว่าท่านอยากขอเก็บเงินเอาไว้ก็เลยบอกว่าไม่ควรจะทําอย่างนั้นเพราะว่างานก่อสร้างทําไปแล้วผมทํางานยาวมากไปนี้กายเซ็นแบบนี้พอ้งานเสร็จก็ขอชําระหนี้เลยยังาเงินไปเก็บไปเลยเป็นอันว่าได้เงินมาจากงานหาค่าใช้จ่ายเว้เสร็จก็เรียกเจ้านี่มารับเงินในงานทันที ก็เป็นปัจใจให้มันดาท่านทายกทันหลายไม่ชอบใจผมแกก็ไม่ชอบเป็นไงแ่ก็โฆษณาด่าต่อไปนี่เป็นอันว่าผมเกิดมาเพื่อรับการด่าของท่านที่ไม่ถูกใจท่านเป็นเรื่องปกติแต่กำลังใจเวลานั้นไม่ได้โกรธเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นบทเรียนของท่านหลาย ขึ้นจำไม่ว่าที่องค์สมเด็จต้นสัมมาทพุทิเจ้ากล่าวว่านินทาประสองสาเป็นโลกรธรรมดาคือเราเกิดมาในโลกนี้ต้องพบกับความนินทาและสรรเสริญอยู่เสมอจงอยาถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับวันนี้ก็ปรากฏไว้เวลาที่จะคุยกับท่า น, นระยะการตายครั้งนีนสามก็หมดไปแล้วก็ขอระ ง, งับไว้ตะเพียงตรงนี้ ขอบรรดาท่านเย่งหลายที่รับฟังจงจำไว้เป็นเครื่องศึกษาต่อไป